FM 89.5 MHz สเมรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีดาวดวงใหม่ประเดิมมาอีกคราแล้วสาแสงแวววิบวับประดับฟ้าดาวความหวังส่องสว่างกระจ่างตาเป็นสัญญาฟ้าใหม่ในทีวัน แม้นหวังใดขอให้สมอารมณ์หวังลาบยศพร่างพร้อมเพรียงเคียงสุขสรรขอมีทรัพย์นับทวีมีอนันตราบเนื้อรันจงมีสุขสนุกสบายสวัสดีปีใหม่2563จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีดีต้องมาอวดพร้อมอวดที่นี่เร็วๆนี้ FM 89.5 วิทยุราชมงคลทั ญ, ญบุรีมีดีให้ฟังรอฟังให้ดีเตรียมฟังได้ที่นี่เร็วๆนี้ FM 89.5 วิทยุราชมงคลทั ญ, ญบุรี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 ราชมงคลธั ญ, ญบุรีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อนเตือนภัยค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวการเตินภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนำมาฝากกันนะคะพบกับดิชันอาทิตยาปกธทานางรับหน้าที่ในการดำเนินรายการเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะ2มกราคม2563นะะเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่นะคะปี2563หรือปีกิจศักราช2020นั่นเองนะคะ ตอนนี้นะคะว่าฟังหลายท่านเองเนี่ยอาจจะเดินทางกลับจากการไปต่างจังหวัดนะบางท่านกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนะคะบางท่านบอกว่าไปเที่ยวท่องเที่ยวในต่างจังหวัดนะคะก็น่าจะส่วนใหญ่ล่ละที่เดินทางกลับมาในกรุงเทพมหานครเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นวันที่เปิดทํางานตามปกติในหลายที่นะคะแต่ว่าบางที่เองเนี่ยก็ยังคงปิด ทำการอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีหลายท่านเองเนี่ยหยุดช่วงปีใหม่เนี่ยวันก็หยุดนานเลยนะคะอาจจะกำลังเดินทางกลับเข้ามาในตัวเมืองก็ขอให้เดินทางกันอย่างระมัดระวังนะคะท่องไอว้ค่ะง่วงไม่ขับเมาไม่ขับนะคะแต่ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องขับจริงๆให้จอดไว้แวะ จุดจอดนะคะที่ทางรัฐบาลเองหรือว่าทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาได้ร่วมกันในการทำมาตรการดูแลผู้ที่เดินทางเพื่อได้รับความสะดวกแล้วก็เซฟตี้ตัวเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยอาจจะแวะจอดพักงีบสักนิดหนึ่งนะคะแล้วค่อยไปต่อนะคะอย่าเพิ่งรีบเลยนะคะเพราะว่าความรีบนั้นก็มากับความประมาทแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะ เรื่องราวของเราในวันนี้กับเพื่อนเตือนภัยนะคะเป็นประจำในทุกๆปีค่ะคุณฟังคะที่เขาจะมีเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับ อ, ออนไลน์นะคะเกี่ยวกับการล็อกอินต่างๆในโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะซึ่งแน่นอนค่ะทด่ฉันกำลังพูดถึงเรื่องของพาสเวิร์ดนั่นเองสิ้นปีที่ผ่านมาค่ะเขาก็มีการสรุปนะคะพาสเวิร์ดยอดแย่25อันดับของปี2019เดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะคะว่ามีพาสเวิร์ดที่คุณนั้น ตั้งเอาไว้เพื่อล็อกอินโซเชียลมีเดียของคุณด้วยหรือไม่ถ้าหากว่ามีรีบเปลี่ยนทันทีเลยค่ะข้อมูลนี้นะคะอ้างอิงจาก Spread Data นะคะบนเว็บไซต์ prweb.com ซึ่งเขามีการเปรียบเทียบข้อมูลอันดับเดิมในปี2018ด้วยนะคะแล้วก็จัดอันดับพาสเวิร์ดยอดแย่25อันดับแห่งปี2019ค่ะ เราจะพูดถึงเรื่องราวนะะย้อนดีกว่าจาก25ไปหนึ่งแล้วกันนะคะอันดับ25ที่เรียกว่าเป็นพาสเวิร์ยอดแย่แล้วอย่าใช้เลยนะคะก็คือ123 QWE อนะคะอันนี้เป็นพาสเวิร์ตตัวใหม่นะคะอันดับ24ค่ะพาสเวิร์1 p a ึ s w o r เเลขหนึ่งะคะอันดับ23ค่ะดราคอนอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอันดับ22 p r i อรินเซสอันดับ21 8888ปดอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นเลขของพาสเวิร์ดนะคะงูฟังค่ะอันดับ20ค่ะคือคําว่าเวลคัมอันดับ19นะคะ777ดเจ็ 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. อ่าอันนี้เข้ามาใหม่เหมือนกันนะคะเดาง่ายมากเลยอันดับ18นะคะ l ลิฟลีเข้ามาใหม่เช่นกันค่ะอันดับ17บเหาห้าห้นะคะอันนี้ก็เป็นพาสเวิร์ดที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่แต่ว่าไม่เวิร์กนะคะอันดับ16ค่ะ 6, 5, 4, 3, 2, 1นะเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6ล่ะค่ะแต่ว่าเป็นการเรียงจากหลังจากเลขท้ายนะคะมาเลขหน้านั่นเองนะคะอันดับ15ค่ะที่ยอดแย่นะคะก็คือ Q W E R T Y U I O P นะคะอันดับ14ค่ะคือคำว่า admin อันดับ13ค่ะ 1, Q 2, W 3, E C, R อันดับ12นะคะ Q-W-E-R-T-Y-123 อันดับ11ค่ะ A B C 1 2 3มไม่เวิร์กนะคะมาที่ท็อปเทนกันบ้างนะคะอันดับที่10ค่ะ123123อันนี้เนี่ยเรียกว่ามีคนใช้เยอะนะคะขึ้นมาเป็น7อันดับเลยนะคะจากอันดับ17ของปีที่แล้วค่ะอันดับที่9กนะคะก็คือ111111ลงมา3อันดับนะคะเทียบจากปี2018ซึ่งอยู่อันดับ6ค่ะอันดับที่8นะคะคือคำว่า I love you นะคะขึ้นมา2อันดับค่ะจากอันดับ10ของปี ที่แล้วอันดับที่7กันบ้างนะคะก็คือเลขที่เขียนว่า1 2 3 4 5หนะคะเป็นพาสเวิร์ดหนึ่หนะคะลงมา2อันดับค่ะจากปีที่แล้วอยู่อันดับที่5มากันที่อันดับที่6กันบ้างนะคะพาสเวิร์ดที่มีคนใช้งานแล้วก็ยอดแย่เลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8มาดค่ะลงมา2อันดับค่ะจากปีที่แล้วอยู่อันดับที่สี่ ท็อกไฟกันบ้างนะคะอันดับที่5พาสเวิร์ดยอดแย่นะคะไม่ควรใช้เลยค่ะ1 2 3 4 5ส7าี่ห้าดนะคะขึ้นมา2อันดับจากอันดับ7ของปีที่แล้ว อันดับที่4นะคะตรงตัวเลยค่ะคำว่า password นั่นเองนะคะ p a s, s w o r d นะคะลงมา2อันดับค่ะจะอันดับที่2ในปีที่แล้ว top t กันบ้างนะคะอันดับที่3มคือคำว่า q w e r t y นะคะขึ้นมา6อันดับค่ะจะอันดับ9ในปี2018นะคะ อันดับที่2ค่ะคือพา r t ทเวิร์ดหนึ่งสอนะคะขึ้นมา3อันดับในปี2 0 1 8และอันดับ1เป็นแชมป์เก่า2 ส, สมัยซ้อนคือพา r t ทเวิร์ดที่มีเลขนะคะ1 2 3 4หค่ะทั้งหมดที่ฉันพูดถึงนะทั้ง27อันดับอขออภัยค่ะ25อันดับ น, น, นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นพาร์ทเวิร์ดที่เดาง่ายมากนะคะ ก็เลยเรียกว่าเป็นพาสเวิร์ดยอดแย่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณฝังท่านใดที่มีการใช้พาสเวิร์ดเป็นชื่อแบบนี้อยู่นะคะระมัดระวังด้วยรีบเปลี่ยนพาสเวิร์ดจะดีกว่าค่ะพูดถึงเรื่องของการล็อกอินเข้าโซเชียลมีเดียแล้วนะคะเราก็มีการเตือนนะเตือนภัยเกี่ยวกับ ไลน์นั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีการปลอมไลน์ในหลายๆรูปแบบหลายลักษณะนะคะหลายกลยุทธ์ของมิจฉาชีพเลยที่จะมาหลอกนะคะให้คุณโอนเงินบ้างแหละล้วงเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณบ้างแหละนะคะซึ่งล่าสุดค่ะเราได้ข้อมูลมาจาก IT ทียีชั่วโมงนะคะเขาก็มีการออกมาเตือนระวังไลน์ปลอมนะคะแล้วก็มีการแนะนำได้ว่าไลน์ปลอมดูยังไงนะคะทั้งไลน์ส่วนตัวไลน์แอดมินแล้วก็ไลน์ออฟฟิเช c ยลแคลค่ะ เหตุการณ์ของการปลอมลายดูยังไงนะช่วงนี้มีการระบาดหนักมากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาฟังกันดีกว่านะคะว่าเรามีวิธีการในการที่จะ เทียบกันยังไงบ้างนะคะอย่างล่าสุดค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น29่ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนแอบอ้างใช้ภาพคุณปานระพีแล้วก็ชื่อคุณปานระพีเองเนี่ยไปตั้งชื่อไลน์นะคะแล้วก็แอบว่างว่าเนี่ยเป็นแอดมินในกลุ่มของ Open Chat นะมาโพสข้อความเชิญชวนไปในทางไม่น่าไว้วางใจนะคะซึ่งก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่านี่ไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อเนื้อหาข้อความที่ส่งมานะคะลองดูโปรไฟล์กันสักนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้คุณตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นวันนีีเ้เเรรราามื่อง ของการสังเกตลายปลอมในสามรูปแบบกันลายส่วนตัวลายแอดมินและลายออฟฟิเชียลแอบเค้สังเกตยังไงมาฟังกันค่ะรูปแบบที่หนึ่งนะคะก็คือลายปลอมในรูปแบบของบัญชีลายส่วนตัวค่ะ ลักษณะของบัญชีรายส่วนตัวที่เป็นลายปลอมนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คืออยู่ดีๆเนี่ยก็แอดล ne คุณมาใหม่ให้คุณเอกใจแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะใช่เพื่อนของเราตัวจริงหรือเปล่านะคะ2ก็คือทักทายแปลกๆไม่เหมือนที่ผ่านมาเลย 3. ค่ะมาบอกให้เราโอนเงินไปยังบัญชีคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของตัวเองหรือให้สแกน QR code จ่ายเงินค่าโน้นทีค่านี้แทนให้หน่อยตรงนี้ระวังให้ดีนะคะเพราะเริ่มไม่ดีแล้วล่ะแล้วก็เข้าข่ายปลอมเพื่อหลอกโอน วิธีการตรวจสอบว่าใช่ลายของเพื่อนจริงๆหรือเปล่าขอความช่วยเหลือคุณจริงหรือไม่นะคะแนะนำนะคะว่าให้คุณโทรไปหาเจ้าตัวเลยค่ะหรือว่าทำการวิดีโอคอลกันตรงๆจะได้รู้กันไปเลยนะคะว่านี่ตัวจริงหรือตัวปล อ, อมค่ะวิธีการสังเกตแบบที่สองนะคะก็คือไลอน์ปลอมในรูปแบบของการแอบอ้างเป็นแอดมินไลน์ Open Chat ค่ะ ลายปลอมแบบนี้นะคะจะเป็นบัญชีปกติแต่จะโพสตลักษณะบอกว่าเป็นแอดมินเจ้าของกลุ่มแชททั้งนั้นที่เป็นบัญชีลายธรรมดานี่แหละค่ะกรณีล่าสุดนะคะอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่ก็คือมีคนแอบอ้างในชื่อของคุณป่านระผีนะคะไปตั้งชื่อลายแล้วก็ใช้ชื่อเหมือนในลายอุปเพนแชทเลยค่ะบอกว่าตัวเองเป็นแอดมินในห้องนะคะถ้าคนไม่ได้สังเกตดีๆเนี่ยก็จะหลงเชื่อเข้าใจผิดคิดว่านี่เป็นตัวจริงแต่ในกรณีของลายอุปเพนแชทเนี่ยถ้าใครก็ตามที่เป็นแอดมินนะคะสังเกตว่าใครก็ตามที่เป็น แอดมินของ l ล n e OpenChat ค่ะคุผู้ฟังคะจะมีสัญลักษ์รูปมงกุฎอยู่ที่ชื่อด้วยและคนที่ไม่ใช่แอดมินจริงๆจะไม่สามารถปลอมแปลงรูปมงกุฎบนรูปโปรไฟล์ได้ดังนั้นสังเกตให้ดีสังเกตรูปโปรไฟล์ให้ดีก่อนที่คุณจะหลงเชื่อค่ะสังเกตรูปแบบที่3นะคะก็คือไลน์ปลอมในรูปแบบคล้ายกับ l ล n e Official Account ค่ะ ลายปลอมแบบนี้นะคะมักจะทักทายหาเราก่อนแล้วก็ไม่มีสัญลักษณ์โล่ทั้งสีเขียวหรือสีเทาเลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีสัญลักษณ์ของโล่เขียวหรือเทามั่นใจได้เลยว่านี่เป็นลายปลอมแน่นอนนะคะควรจะมีการรายงานไปยังไลน์เพื่อทําการแบนต่อไปค่ะลายอ official ของแท้ค่ะว่าฝั่ง่าจะต้องมีโล่สีเขียวหรือสีเทาหน้าชื่อบัญชีและเราต้องเป็นคนแอดเข้าไปเท่านั้นเขาไม่สามารถจะแอดเรามาได้นะคะและ เราต้องแอดไปจึงจะสามารถรับข้อความของบัญชีไลน์อ f ฟฟิ i ชียลนั้นๆได้ดังนั้นนะคะขณะที่คุณอ่านแชทไลน์อยู่เมื่อจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามที่ทักทายเรามาเนี่ยต้องตั้งสติแล้วก็สังเกตให้ดีนะคะว่าบัญชีที่เรากําลังอ่านเนี่ยเป็นไลน์จริงหรือเป็นไลน์ปลอมค่ะขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยนะคะจาก IT ี24ชั่วโมงค่ะพักสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าจะมาฟังเรื่องราวนี้นะคะเป็นลักษณะของการเตือนภัยค่ะ กู้เงินเถื่อนเกลื่อนออนไลน์เลยนะคะล่าสุดมีกรณีค่ะเยื่อไปกู้ 3,000 บาทได้เงินต้นแค่ 1,635 บาทโดนค่าปรับวัละสาม100บาทโอโ้โหนี้บานเบอร์แถมทวงนี่โหดค่ะมีการส่ง SMS โทรหาทุกคนที่มีรายชื่อในเครื่องของผู้กู้มากไปหรืเปล่าวเรื่องราวนี้ติดตามกันในช่วงหน้ากับเพื่อนเตือนภัยค่ะ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 เพื่อว่าเธอสุขใจที่เราได้เจอเคลื่อนไปตามที่เธอทั้งและเกือบลงรักเธอดีที่รู้ทันว่าเธอไม่ได้คิดอะไรอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจ ทำอ่งนี้เพราะเขาจะมองว่าเธอเนื้ใจร้ายที่ทำเมันเธอให้ใจถต่มันก็ไม่จริงฉันเน่ยมันเข้าใจเธออยู่เพราะว่ารู้จักเธอมากกนนาดนั้น รู้ว่าเธอไม่เคยคิดไม่มีวันรักกันเรามันนพือนกันก็เลยทำได้แค่เตือนอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมทําไม่รัก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 สู่ช่วที่2นะคะของเพื่อนเตืนภัยค่ะ ในช่วงนี้นะคะคุู้ฟังคะี่ฉันมีกรณีที่เกิดขึ้นนะคะเป็นข้อมูลการเตือนภัยเกี่ยวกับการกู้เงินนะคะในโลกออนไลน์นั่นเองล่าสุดค่ะมีเหยื่อคนหนึ่งนะะไปกู้เงิน 3,000 แต่ได้เงินต้นมาแค่ 1,635 บาทโดนค่าปรับวันละ300บาทนี่เยอะมากเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นยังถูกทวงหนี้โหดด้วยส่ง SMS โทรหาทุกคนที่มีรายชื่อในเรื่องของผู้กู้ค่ะ เรื่องเหล่านี้นะคะยีธันวาคมที่ผ่านมาแฟนเพจ Facebook เจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันได้โพสต์ข้อความร้องเรียนจากลูกเพจระบุว่าตนเผลอไปกู้เงินจากแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์ที่เพื่อนแนะนํามาวงกู้ะวงเงินกู้ 3,000 บาทต้องจ่ายคืนใน7วันจ่ายช้าเสียค่าปรับวันละส0มบาททีนี้เนี่ยยอดเงินนะคะคุณฟังคะอนุมัติเนี่ยได้รับเงินกู้แล้วแต่ได้ยอดมาแค่1635บาบาทเท่านั้นที่เหลือบอกว่าเป็นค่าบริการปรากฏว่า พ่อ ผู้กู้ท่านนี้นะคะชำระปลายเท่ายอดที่ได้รับมาก็คือ1 6ึ5บาทให้บัญชีปลายทางที่ได้รับในครั้งแรกแต่ระบบในแอปพลิเคชันเป็นอีกบัญชีหนึงอาจจะชําระไม่เต็ม 3,000 บาทด้วยและบัญชีคืนเงินคนละบัญชีด้วยนะคะก็เลยทําให้ผู้กู้คนนี้เนี่ยโดนค่าปรับวันละ300บาททีนี้เนี่ยยอดที่ต้องชําระก็กลายเป็นเงิน 4,216 บาทค่ะแต่มีการคุกคามทางข้อความและโทรศัพท์หาทุกคนที่มีรายชื่อในโทรศัพท์ของผู้กู้นะคะก็เลยมีการ สอบถามมาว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าติดต่อแอปพลิเคชันนี้กลับไปเพื่อสอบถามไม่ได้เลย จากการตรวจสอบนี้นะคะเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันนะคะสินเชื่อเงินสดออนไลน์ซึ่งไม่ระ บ, บุว่าจะเป็นอับเป็นสถาบันการเงินใดนะคะก็เลยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่อีกทั้งการใช้ภาษาในเว็บไซต์เนี่ยก็เหมือนกับชาวต่างชาติเนี่ยนำมาแปลเป็นภาษาไทยอีกทีนะคะลักษณะของแอปนี้เนี่ยก็คือให้กู้เงินขั้นตาม 3,000 บาทสูงสุดห้0 0 0ืบาทต่อครั้งอ้างว่าคิดดอกบ 21.9% ต่อปีเลยนะคะสูงสุด 90-180 วันวิธีการคือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน QR Code ในเว็บไซต์ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนอกเลยค่ะไม่ได้อยู่ใน Google Play Store เลยนะคะแล้วก็ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวจำนวนเงินกู้ที่ต้องการระบบจะอนุมัติเงินกู้โอนเข้าไปในบัญชีทันทีค่ะ แต่ว่ายังก็ตามแล้วนะคะจากคาบอกเล่าของชาวเน็ตเนี่ยเขาพบว่าแอปดังกล่าวนี้นะคะมาจากต่างประเทศไม่มีความน่าเชื่อถือและเมื่อไม่ได้อยู่ในกูเกิลเพรสโตรจึงไม่สามารถแจ้งปิดแอปพลิเคชันได้ที่สําคัญนะคะในขั้นตอนของการติดตั้งเนี่ยแอปพลิเคชันจะมีการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในเครื่องทั้งหมดด้วยนะคะโดยเฉพาะรายชื่อผู้ติดต่อแม้จะยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันก็ไม่สามารถจะลบข้อมูลได้ค่ะเพราะแอปนี้ได้มีการดึงข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อในเครื่องของผู้กู้ ไปหมดแล้วนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะถูกนํามาใช้เมื่อผู้กู้ผิดนัดชําระจะมีการโทรศัพท์หรือส่งข้อความไปตามรายชื่อผู้ติดต่อนในโทรศัพท์มือถือของผู้กู้ทั้งหมดทําให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญและทําให้ผู้กู้เกิดความอับอายเหมือนการทวงหนี้โหดของแก๊งเงินกู้นอกระบบค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่าเมื่อยื่นคําขอกู้เงินแล้วเนี่ยเวลาได้รับเงินกู้จะไม่ได้รับเต็มจํานวนนะคะอ้างว่าหากค่าดําเนินการค่ะหรือเป็นค่าบริการแอปพลิเคชันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายแต่เวลาชําระคืนจะต้องชําระคืนเต็มจํานวนรวมทั้งค่าปรับด้วยปัจจุบันนี้นะคะยังพบว่ามีแอปพลิเคชันกู้เงินแบบนี้เนี่ยอยู่จํานวนมากเลยค่ะหมอฟังคะแล้วก็มีการลงโฆษณาผ่านโซเชียล ต, ต่างๆแต่หน่วย ง, งานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการตรวจสอบหรือประกาศแจ้งเตือนออกมาแต่อย่างใดนะคะโดยที่ผ่านมาพบว่ามี ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อกู้เงินลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายรายด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยอย่าไปกู้เงินแบบนี้เด็ดขาดนะคะถ้าจะกู้ขอไปสถาบันที่เขามีการได้รับการอนุญาตนะคะจากทางรัฐบาลจะดีกว่านะคะกับคที่มาด้วยนะคะจากผู้จัดการออนไลน์ค่ะไม่หนึ่งเรื่องราวในช่วงนี้กับเพื่อนเตือนภัยนะคะ แชร์เต็มออนไลน์เลยค่ะสาวพังงาท่านหนึ่งนะคะมีการไปซื้ออาหารทะเลนะคะที่อำเภอตะกัวปากลับบ้านจะไปทำกินนะฮะฉลองปีใหม่กับครอบครัวเนี่ยเจอเลยค่ะเป็นปลาเล็กปลาน้อยยัดไส้ในหมึกทุกตัวคาดว่าแมค้าต้องการโกงน้ำหนักและไม่ซื้อสัตว์ต่อลูกค้าค่ะ กรณีของผู้ใช้เฟ e บุ๊กนะคะหญิงหญิงประวรันนะคะเขามีการโพสข้อความระ บ, บุว่าเตือนภยนัยกลงเตือนภัยกลงไม่คิดว่าจะได้เดอไม่คิดว่าจะได้เจอแม่ค้า2019นะคะและน่าจะต่อไปจนถึง2020ซื้อหมึกมา1กิโลกรัมราคา160บาทโดนยัดไส้ด้วยปลามาทุกตัวนะแบบนี้น่าจะได้แค่ครั้งเดียวแหละ แม่ค้าในอำเภอตะกวัวป่าระวังกันด้วยพร้อมเผยภาพหมึกที่โดนผ่าหลังด้านในยัดด้วยปลาสามตัวเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะโลกสังคมออนไลน์เองก็แซวกันนะคะเรียกว่าอันนี้เนี่ยหมึกยัดไส้หรือเปล่าหมึกแท้หมึกไข่เป็นตัวบางก็ตอบว่าตัวเองก็เจอแบบเดียวกันนะคะบางส่วนก็แนะนําให้ช่วยกันแชร์เพื่อไม่ให้หลงกลพวกที่ช่วยโอกาสในช่วงเทศกาลแบบนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาเองค่ะผู้สื่อ ข, ข่าวนะคะก็ไปสอบถามคุณภาวร ผู้สกุลนะคะเจ้าของเฟ e บ o o กบอกว่าตัวเองแล้วก็ญาติเนี่ยแวะซื้ออาหารทะเลสดที่บริเวณแถวบ้านพื้นที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาก็หวังว่าจะนำมาปรุงอาหารสำหรับรับประทานนะคะในช่วงของวันหยุดยาวปีใหม่ค่ะเลือกซื้อทีแรกก็เห็นว่าหมึกสดดีเนื้อแน่นดีน้ำหนักดีตัวใหญ่เนี่ยประมาณ2นิ้วก็เลยตกลงซื้อมา1กิโลกรัมพอมาถึงบ้าน ล้างก่อนผ่าหลังปรากฏว่าเจอปลาค่ะขนาดเล็กเรียงในตัวหมึกเนี่ยสาตัวตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นปลาที่ปลาหมึกกินเข้าไปนะคะแต่พอผ่าตัวอื่นแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีเหมือนกันทั้งหมดเลย11ตัวเลยค่ะผู้ฟังคะและเมื่อนําปลาที่อยู่ในท้องปลาหมึกไปชั่งเนี่ยพบว่ามีน้ําหนักถึง150กรัมหรือ 1.5 ขีดเลยนะคะนี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าค่ะจึงมีการถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ข้อควา ม, มาบน a c e b o o k เพื่อเตือนให้เพื่อนใน ออนนไลน์ระมัดระวังการซื้อสินค้าจากตลาดต่างๆในช่วงปีใหม่นี้นะคะเพราะมักจะมีพ่อค้าแม่ค้าชคช่วยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผูกหรือภคได้ค่ะก็เป็นการเตือนภัยกันด้วยนะคะจะเลือกซื้อสินค้าอะไรยังไงก็ดูให้รอบคอบนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะเราไปถึงเครื่องชั่งน้ําหนักด้วยนะคะบางทีก็มีการโกงเครื่องชั่งเหมือนกันนะคะขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยนะคะจาก Daily New ลออนไลน์ค่ะ พักสักครู่หนึ่งนะคะวุ้งฟังคาช่วงหน้าจะมาติดตามกันนะคะมีการเตือนภัยมิชชาชีพค่ะมาในรูปแบบของพระสงฆ์หลอกชาวบ้านนะคะแล้วก็เตือนภัยซื้อกางเกงออนไลน์นะคะแม่ค้าหายเงียบเลยค่ะไปพร้อมกับเงินเลยนะคะติดตามในช่วงหน้ากับเพื่อนเตือนภัยค่ะปีใหม่ดื่มไม่ขับลดความเร็วลดความเสี่ยงกลับบ้านปลอดภยัยขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรด้วยความหมูงใย่จาก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 ยฟังได้ที่นี่เร็วๆนี้ FM 89.5 วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรี เตือนภัยในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวของการเตือนภัยนะคะเป็นกลโกลงแบบใหม่ของมิจฉาชีพนะคะหลังผู้ใช้ Facebook ท่านนึงเนี่ยเตือนภัยมิจฉาชีพมาในรูปแบบของพระสงฆ์หลอกชาวบ้านค่ะก่อนชิ้งเงินหนีไปแบบหน้าตาเฉยหลบหายไปอย่างลอยนวลเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชุมพรนะคะหนุ่มใช้ Facebook รายนึงโพสข้อความเตือนภัยมิจฉาชีพในรูปแบบของพระสงฆ์ค่ะหลอกชาวบ้านก่อนจะชีงเงินหนีไปแบบหน้าตาเฉย แล้วก็หลบหายไปอย่างลอยนวลผู้โพสต์ลงเรื่องราวเอาไว้แบบนี้นะคะเวลา12บสอนิกาของวันที่25่ธันวาคมสองพมีบุคคลแต่งกายคล้ายพระสงฆ์เดินเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองชุมพรแล้วบอกให้พนัก ง, งานโรงแรมยิบธนาบัตรฉบับละ100บาท2ใบฉบับละ20บาท3าใบออกมาแล้วบุคคลดังกล่าวก็เอาปากกาออกมาเขียนลายเซ็นบนธนาบัตรดังกล่าวครบทุกใบาจากนั้นก็ดึงธนาบัตรฉบับ100ออกไปเป็นของตัวเอง ใแล้วบอกว่าอันนี้ต้องเอาเข้ากล่องขังจากนั้นก็เดินออกจากโรงแรมไปผู้ใดพบเห็นอย่าลงเชื่อทั้งนี้นะคะเรื่องราวดังกล่าวถูกโพสลงในโลกออนไลน์ค่ะก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเลยมาแสดงความเห็นวิจารณ์พฤติกรรมของบุคคลที่ดต่งกายคล้ายพระสงฆ์ดังกล่าวมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะความเห็นเรื่องของวิธีการหากินแบบ แ, บบแปลกๆและบางคนก็มองว่าอาจจะเป็นพระปลอมที่มาหลอกหากินกับประชาชนได้ค่ะ ถ้าหากว่าเจอนะฮะระมัดระวังกันด้วยนะคะนี่เป็นมิจฉาชีพนะคะทำทีว่าเซนเพื่อความศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็คือหลอกเอาเงินออกไปแบบเงียนๆนี่แหละค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยจากคมชัดลึกด e t เน็ตค่ะ ทิ้งท้ายกันในวันนี้นะคะกับเรื่องราวของนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยนะคะซึ่งก็ถูกหลอกเหมือนกันนะะไปสั่งซื้อกางเกงออนไลน์ค่ะโอนเงินเรียบร้อยเลยนะคะดูโปรไฟล์แม่ค้าสะดุดดีแต่สุดท้ายกลับถูกบล็อกเฟซบุ๊กหนีหายเข้ากลีบเมฆค่ะ 27ธันวาคมที่ผ่านมานะคะผู้ใช้ Facebook ชื่อดาวสุริพรแก้วดวงงามนะคะหรือน้องดาวสิริพรแก้วดวงงามค่ะนักกีฬา ว, วินเซิร์ฟทีมชาติไทยได้โพสต์เฟซบ o ๊กส่วนตัวเล่าเหตุการณ์ฝากแชร์ด้วยนะคะอยากเตือนภัยคนอื่นๆไม่เคยโดนโกงอะไรแบบนี้เสียค่างโง่ไปตอนแรกก็กะปล่อยผ่านไปคิดซะว่าทำบุญเพื่ออะไรๆจะดีขึ้นในปีหน้าแต่ก็มีความคิดหนึ่งแทรกขึ้นมาว่าเงินตั้งเยอะ1นึ่งบาทเอาไปทําบุญกับคนที่เขาไม่มีจริงๆ ยังดีสักว่าไม่ได้เสียดายตังขนาดนั้นแต่ไม่อยากให้เขาทําแบบนี้แล้วยังลอยนวลได้ทําอีกเรื่อยๆอยากสอบถามผู้รู้ว่าถ้าจะดําเนินคดีตามกฎหมายต้องทํำยังไงคะหมดกันพี่มาดอกไม้ไม่อยากได้ตังคืนอยากได้กางเกงการจนายาหน้ากลเงินก่อนที่จะมีคนมาคอมเมนต์นะคะแล้วก็แชร์เตืนภัยกันค่ะบางคนก็คอมเมนต์ว่าเคยโดนแม่ค้าคนนี้หลอกเหมือนกันนะคะบางคนก็คอมเมนต์ให้กําลังใจกับนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยคนนี้ค่ะ น้องดาวนะคะนักกีฬาวินเซิฟทีมชาติไทยคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยซื้อกางเกงในราคาพันกว่าบาทจากร้านค้า Facebook ร้านนึงซึ่งเป็นกางเกงที่ตัวเองเนี่ยชอบก่อนจะโอนเงินค่ากางเกงที่สั่งซื้อไปแล้วนะคะแต่กลับไปได้ของที่สั่งแต่อย่างใดค่ะแล้วก็ถูกบล็อกด้วยปิดเฟซบุ o กหนีหายไปเลยซึ่งก็ไม่รู้จะตามได้ที่ไหนนะคะจนเข้าแจ้งความกับตํารวจสพเมืองพัทยาทางตํารวจเองก็ได้ลงบันทึกประจําวันเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะช่างนี้นะคะเมื่อเข้าไปดูในอิสระแกรมเนี่ยก็พบว่ามีคน แล้วได้รับของจริงนะคะน้องดาวก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยก็มีความมั่นใจระดับหนึ่งนะแต่ไม่คิดว่าจะโดนโกงนะคะก็อยากฝากเตือนคนที่ซื้อขายของออนไลน์แบบนี้นะคะก่อนจะซื้ออะไรเนี่ยก็ตรวจสอบให้ดีๆไม่ฉะนั้นอาจจะโดนโกงได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวนี้นะคะมีโปรไฟล์ก็จริงแต่ไม่รู้ว่าโปรไฟล์ที่ว่าได้ของเนี่ยเป็นคนที่ได้ของจริงนะคะหรือว่าเป็นหน้ามาหรือเปล่านะคะต้องสังเกตให้ดีต่างหากนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ย มันมีดาบสองคมนะคะมันสั่งง่ายมากเลยของออนไลน์นะผู้ฟังแต่อีกมุมนึงก็คือของแท้หรือเปล่าและบางทีสั่งไปแล้วจะได้ของหรือไม่นะคะขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยนะคะจาก posttoday.com ค่ะ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่มาคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์เล่าให้ฟังกันในเพื่อนเทินภัยนะคะเจอ ก, กันใหม่ในวันพระหัสบดีหน้าตอนนี้ใครที่กําลังขับรถขับราอยู่ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะขับขี่ถึงบ้านอย่างปลอดภัยกันนะคะเจอ ก, กันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยมาหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปี2องพตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 02 549 3613 5 02 549 3613 5, 36 5วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8.5 เมกะเฮิรตซ์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต